ต้องรู้จักประมาณในการทําทานเหมือนกันคำว่าทานะคือว่าทานคนํานี้เราไม่ใช่ว่าจะสอนให้คนไม่มีอันจะกินก็ให้ขายบ้านขายเรือนขายที่พักผ้าใส่ทําบุญทําทานไม่ใช่คนที่ล้นฟ้าอยู่แล้วมากมายมหาศาลไม่ให้มีการทําบุญทําทานขี้ตนีทีเหนียวจนไม่รู้จักแบ่งปันอย่างเงินก้อนไม่ใช่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 อแต่วันหนึ่งคนหนึ่งขี้ตันีทีเนียวไปที่ไหนมีแต่จะคดจะโกงมีแต่จะเบียดจะบังอไปที่ไหนกันเน่ะนี่มีแต่ทวงนี่เขาอยู่ตลอดอปล่อยนี่กู้ตลอดไปที่ไหนทุกหัวไหแหงจะยึดไล่ยึดนายึดรู้ยึดสวนของเขาอที่จะให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่มีแต่รวยะรวยมากแต่คนหนึ่งก็รวยฐานะเสมอกันนั่นแหละอทํามาค้าขาย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 พวกเราก็คิดว่าเนี่ยนะคนที่คนที่เสียสละเนี่ยนะมีน้ําใจต่อชุมชนต่อกลุ่มของเราไปนัดสถานที่ในปกป้องดูแลรักษาอยากจะให้เขามาอีกและอยากจะพบเขาอีกเพ<ม>ราะเหตุไรเพราะว่าเขามีน้ําใจเขามีเมตตาเขามีการเสียสละในชุมชนกลุ่มของพวกเราฮะแต่ถ้าว่าคน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 แต่ละวีดแต่ละวันเออละเห้ยลอยลมปุงฟุ้งสาดอยู่ตลอดอมีแต่เคิดดลบโกหลงอยู่ตลอดใจของคนนั้นเขาคนนั้นจะเรือดร้อนเพ้อเพลอนั้นใจแตก เ, เป็นบ้าปเป็นบอได้ไง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าพวกเรามีการฝึกสติ อ, อยู่กับตนเองเอให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตนเองตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา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 ถ้าว่าพวกเราคิดคิดดูสิว่าถ้าว่าพวกเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปติดยาบ้ายาบ้ายาม้าคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไปล่ะแล้วตะกูลนั้นล่ะครอบครัวนั้นล่ะเขามีความสุขไหมเดือดร้อนพุ่นวายทั้งทองครอบครัวเลยแต่คนที่ได้เงินไปก็ น, นิดหน่อยแต่ถ้าวันดีคืนดีเข้ามาเนี่ยมาเจอกับตัวเองเข้าล่ะ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 ตอนนี้ไปรับพรพระสงฆ์จะอโโมธนาให้พร